Thank you.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 เพราะว่าเขาอาจจะยังจเจริญสติอยู่นะหรือว่าทำความเพียร อ, อย่างที่เราไม่รับรู้ก็ได้งนั้นเนี่ยเราในเมื่อเราไม่รู้ใจคนอื่นนะเราก็หันมาดูใจตัวเองแล้วก็อย่าไปตัดสินว่าคนนี้ไม่ปฏิบัตินะคนนั้นไม่ปฏิบัติเพียงเพราะดูที่อาการอาการกิริยาภายนอก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 คนอาหารไทยไปอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าไม่คุ้นนะอาหารหารแขเนี่อร่อยนะแต่ว่าอ่าคือไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆเวลากลับบ้านนี่เขาใช้แต่เส้นทางเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนเส้นทางเลยนะอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอเจออะไรที่มันไม่คุ้นเนชะ่นสถานที่มันลําบากนะ